รวมสิกขาบทที่มีในโพชนวัรคนึ่งอวสถปินดาศิกขาบทว่าด้วยการฉันพัตนาหารในที่พักแรม 2. คณะโพชนะศิกขาบทว่าด้วยการฉันคณะโพชนะ 3. ปรามประโพชนะศิกขาบทว่าด้วยการฉันปรามประโพชนะ 4. กานณมาตุศิกขาบท ว่าด้วยมานดาของนางกานา 5. ปัทมะปวารณาสิกขาบทว่าด้วยการบอกห้ามพัฒตาหารข้อที่หนึ่งหทุติยะปวารณาสิกขาบทว่าด้วยการบอกห้ามพัตตาหารข้อที่สองเวิกาลโภชนะสิกขาบทว่าด้วยการฉันโภชนะในเวลาวิกาล 8. สันนิธิ การกะศิกขาบทว่าด้วยการสะสมโภชนะ 9. ปณีตโภชนะศิกขาบทว่าด้วยการออกปากขอโภชนะอันประนีต 10. ทันตะโปณะศิขาบทว่าด้วยการรับประเคินอาหารนอกจากน้ำไม้ชมระฟัน